สวัสดีราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างนี่การที่สร้างขึ้นนี้ก็เพื่อแบ็กให้มีที่อยู่ที่อาศัยที่ศึกษา เ, าเรียนคนเราไม่เหมือนสัตว์สัตว์เขาไม่มีโรงรําโรงเรียนเขาก็อยู่ตามสภาพของเขาได้ส่วนมนุษย์ต้องเลยมีการศึกษา เ, าเรียนไม่เช่นนั้นมนุษย์นี่ เลี้ยงตัวไม่คุ้มไม่เหมือนสัตว์จึงต้องอาศัยการศึกษาเ ร, าเรียนเด็กเกิดขึ้นมาไม่มีที่ศึกษา เ, าเรียนก็หาความรู้ไม่ได้แล้วคนที่หาความรู้ไม่ได้นั้นเราจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆแต่จะไม่ระบุบ้านนะเอาใกล้ๆนี่แหละคือบ้านมันอยู่ใกล้ๆบ้านคนนี้น่ะคือตั้งแต่เป็นเด็กขึ้นมาจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ พ่อแม่พี่น้องแนะนําสั่งสอนให้เรียนหนังสือไม่ยอมเรียนเที่ยวทั้งวันเอมีมน้ํำซ้ำกลางคืนก็ยังเที่ยวอีกให้เรียนหนังสือสามปีฟังสิเรียนหนังสือเนียนเขาเรียนหนังสือทำหนังสือตัวลาวนั่นะ่ะเรียนอยู่สามปีก็ไม่สําเร็จแล้วบทเวลาสําเร็จได้หนังสือตัวหนึ่งเรียกว่าเรียนสําเร็จได้ตัวนอตัวเดียว เข้าใจไหมหนังสือทั้งหมดนั้นน่ะได้จําได้ตัวนอตัวเดียวเท่านั้นทีนี้เมื่อได้ตัวนอตัวเดียวแล้วก็เวลาจะเรียกใช้ใครก็ต่อใครก็ตามเช่นให้เอามีดมาให้ให้บอกว่าเอาตัวนอมาให้ตัวนออะไรตัวนอไมด์นี่ให้เอาผ้ามาให้ก็เอาตัวนอมาให้ตัวนออะไรนอผ้าเอาอะไรก็ตามมีแต่ตัวนอตัวเดียวหมดแต่เขาก็เก่งแล้วก็มีตัวนอตัวเดียวก็ใช้ได้ทั่วโลกเราเนี่มันเรียนแทบล้มแทบตายกันมาได้ถ้าจะยิ่งแย่หนึ่งนะแต่นี่แง่ ความไม่สนใจในการศึกษาเราเรียนเรียนหนังสืออยู่สามปีเรียนหนังสือธรรมทางภาคอีสานเราแต่ก่อนมีหนังสือธรรมอาจารย์นั้นให้เรียนอยู่ในวัดเวลาไปเรียนไม่ได้หนังสือเรียนสามปีได้หนังสือตัวเดียวเนี่ยหนังสือหนังสือธรรมได้ตัวนอตัวเดียวที่เวลาจะให้เอาอะไรมาให้กับใช้ใครก็ตามเขาบอกให้เอาตัวนอมาให้ตัวนออะไรเช่นนอมีดนอพระนอขวาน นอเกิดเขา้าใจไม่เกิดอะรองเท้านั่นนั่นแหละมีแต่ตัวนอตัวเดียวเขาเรียกว่าอะไรชื่อเราจะให้ระบุชื่อมั้เถอะเราจําได้จะ ก, ก็ชื่อมันบ้านมันก็อยู่ ใ, ใกล้ๆนี่แหละติดติดติ ด, ต ด, ตดใกล้ๆกับบ้านตานี่แหละนี่โทษแห่งการไม่สนใจในการศึกษารเรียนมันเป็นอย่างนั้นท่านประกันจำเอาไว้นี่ลูกเต่าของเราทุกคนทุกคนเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ศึกษาเรียนมันจะทํำยังไงต้องศึกษาเรียนถ้าไม่ศึกษาเรียน เด็กเป็นเหมือนสัตว์มันไม่ได้เหมือนสัตว์มันต่ํากว่าสัตว์เนี่ยสําคัญที่ตรงนี้จึงต้องให้มันศึกษาเราเรียนข้าวน้ําเราเลี้ยงมาตั้งแต่วันเกิดเข้าป้อนน้ำนํำนมเลี้ยงมาจนสุดความสามารถทีนี้ก็ต้องเลี้ยงความรู้วิชาพ่อแม่มันมีความรู้วิชาทางนี้ก็ต้องส่งเข้าโรงเริ่มโรงเรียนให้คนอื่นที่เขามีความสามารถมาสอนให้อย่างที่มีโรงเริ่มโรงเรียนทุกแห่งหุนตําบลหมู่บ้านนี้ ล้วนแล้วตั้งแต่ให้ความรู้ของคนและเด็กคุณรูบุตรท้ายภายหลังได้เป็นแบบเป็นขบัติต่อๆไปเนี่ยโรงเรียนหลังนี้ก็เกิดขึ้นมาเพื่อให้วิชาความรู้แก่เด็กๆคุรุบุตรท้ายภายหลังต่อต่อไปบ้านเราจะได้มีขื่มีแปรคนมีความรู้มีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์ถ้าไม่มีเหตุมีผลไม่มีกฎมีเกณฑ์แล้วก็เลวหลายไปหมดเพราะงั้นจึงต้องได้สร้างโรงเรียนโรงเรียนให้โรงเรียนหลังนี้ก็มีพี่น้องหลายท่าน คือมาร่วมสมทบในการสร้างจนท่านเดจดูร่วงลงมาได้ถึงได้ประกาศ <c oughs> หรือว่าเป็นการถลองให้ท่านพี่น้องทัานหลายเดชทราบความสําเร็จแห่งความมุ่งหมายของตนเองโดยทั่วกันโดยมีคุณเชิดจากวงศิยาณ น, น์เป็นผู้รับภาระในการก่อสร้างนี่ทั้งหมดโดยไม่คิดจาตางไม่คิดค่าจ้างรางวัลไม่คิดว่าเป็นอะไรรับจ้างรับเหมาอะไรไม่มีทั้งนั้น ทำให้ด้วยน้ําใสใจศรัทธาจริงๆเสียสละเป็นผู้นักเสียสละด้วยไม่ใช่ธรรมดาอะไรอะไรที่ทำให้หมดอืไม่ต้องได้บอกได้กล่าวึคือว่าอะไรที่จะเรียบร้อยทําให้หมดไม่ต้องคิดถึงเรื่องใดๆนอกจากความสําเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เต็มที่เท่านั้นจึงเป็นคนที่หาได้ยากแต่ <c oughs> คนทั้งหลายอาจจะคิดว่าโรงเรียนหลังนี้เป็นจ้างรับเหมาเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่เป็นความยินดีของผู้สร้าง เองของผู้มารับใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนนั่นเองละ่ะนี่เรื่องสร้างโรงเรียนหลังนี้คนทั้งหลายจะได้ความรู้มากน้อยเพียงไรจากโรงเรียนหลังนี้ไปกี่ปีกี่เดือนเนี่ยแล้วก็คิดนี่ละ่ะอุทิศน้ําใจอุทิศกําลังความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สมบัติไว้โรงเรียนหลังนี้เพื่อความรู้เข้าสู่จิตใจของประชาชนเด็กเล็กเด็กน้อยตลอดไปพ่อแม่ทั้งหลายก็เบาภาระเมื่อลูกมีที่ศึกษาเราเรียนอันนี้เราเคย เป็นแล้วในวัดป่าบ้านตากนี้ที่เคยมาเป็นมาพูดทําหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านฟังที่ฟังว่าหลวงตาบัววัดป่าบ้านตากมาทําหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านคือสร้างโรงเรียน <c oughs> จะสร้างโรงเรียนทีแรกขึ้นที่นี่แหละประชุมกรรมการอําเภอก็แล้วกรมการจังหวัดก็แล้วโรงเรียนมันไม่ขึ้นประชุมก็แล้วแล้วอยู่งั้นไม่ขึ้นสุดท้ายก็วิ่งกันไปหาหลวงตาบัววัดป่าบ้านตากขอให้อ่า เข้าไปประชุมลูกบ้านแล้วประชุมที่ายๆมันก็ไม่สําเร็จทั้งกลมการจังหวัดกลุมการอาเภอโรงเรียนหลังเดียวไม่ขึ้นเลยยังขอให้หลวงพ่อไปว่าที่แนะนําอบรมสั่งสอนเพื่อจะได้โรงเรียนขึ้นสักหลังเราก็ราบให้อ้าอยางนั้นเราไปเราก็มามีกระต๊อบหลังเดียวอยู่นั่นเพราะมันยังไม่มีโร ง, ง, งเรียนโรงเรียนนี่ก็บอกว่าวันนี้เราจะมาทําหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็ตีเกาะแล้วพอเรามาก็เต็มไปหมด พอม่เพียงแต่ฟังหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านน่ยฟังหน้าที่ครูอาจารย์ด้วยนี่มันหลายขั้นพอมาก็เต็มไปหมดนี่ท่านทั้งหลายให้หลวงพ่อมานี่มาเพราะเหตุผลกลไกอะไรผู้ใหญ่บ้านกอชี้แจงเหตุผลให้ประชาชนทั้งหลายที่มาในเวลาในเวลานั้นทราบโดยทั่วกันแล้วเราก็เดยเริ่มนี่เราพูดตามความจริงแล้วที่นี่เมื่อพูดถึงเรื่องว่าการสร้างโรงเรียนมาประชุมนี้เพื่อจะให้หลวงพ่อ อบรมสั่งสอนในการสร้างโรงเรียนเพอ่อโรงเรียนหลังนี้มาเป็นปีๆแล้วไม่ขึ้นเลยแล้วเขคิดเห็นแต่หลวงพ่อองเดียวเท่านั้นให้มาอบรมเพื่อจะเลยลงจิตลงใจกันพร้อมเตรียงสามัคคีกันสร้างโรงเรียนหลังนี้ขึ้นเออถ้าอย่างนั้นเราก็จะกลับพูดแล้วก็ประกาศขึ้นในเวลานั้นโรงเรียนหลังนี้มันเป็นยังไงผู้โกงๆเลยนะหลวงธวัวัวไม่เหมือนใครแหละความจําเป็นในการสร้างโรงเรียนนี้จําเป็นมาจากไหนความจำเป็นมาจากกรมการจังหวัดหรือ ความจะเป็นมาจากกรมการอำเภอเหรือถ้ามจะเป็นมาจากครูเหรอมันไม่ใช่เป็นจุดสําคัญสาคัญสุดท้ายกับความจําเป็นมันมาจากพ่อกับแม่มาแ น, น่นแหล ะ, ะลลเราว่าเราไล่เอาเอาอย่างนี้นะเราจะให้สองพ่อให้เลือกเอาหนึ่งล่พ่อกับแม่มันหนีจากการลูกมันจะได้มาแตกออกมาให้ยุ่งกันกับการสร้างโร ง, งเรียนนี่ข้อหนึง่งข้อสองถ้าพ่อแม่มันอยากจะอยู่ด้วยกันแล้วให้สร้างโรงเรียนขึ้นเอาให้พากันทั้งหลายเลือกเอานะ เราให้สองข้อให้เลือกเอาต่างคนก็ต่างยกคุยโอ้ยขอสร้างโรงเรียนเถิดขอสร้างเดียวจะให้หนีจากกันเนอนั่นเห็น <c oughs> ไหมล่ะจะ <c oughs> ให้หนีจากกันเลยเอาถ้ามันท่าอย่างนั้นเอาตกตัวไม้ขึ้นเดี๋ยวนี้อ่ะตกตัวไม้เสร็จเรียบร้อย <c oughs> พอพุ่งดีเช้าก็โอ๊ยทั้งไอ้อะไรทั้งจอบทั้งเสียมทั้งเลื่อยทั้งขวานหลังลายเข้าป่าไม่กี่ไม่ถึงเดือนนะโร ง, งเรียนเริ่มขึ้นแล้วนั่นเซ็จ นี่เวลาไล่จากหนีจากการมันไม่อยากหนีนะแต่เวลาจะให้สร้างเรียนมันไม่อยากสร้างที่เพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อบังคับสองข้อหนึ่งให้พ่อกับแม่มันหนีจากการลูกมันจะไม่แตกมาเสียงมันยิงเหมือนกเสียงกับปืนคนยิ่งกว่ากระปืนกลซะอีกไม่ว่ากลางวันกลางคืนมันยุ่งกันขนาดนั้นลนะพ่อกับแม่มันนะะแล้วจะให้สร้างเรียนมันไม่สร้างเพราะฉะนั้นเอาให้พ่อกับแม่มันหนีจากกันไม่ต้องสร้างเรียนเดี๋ยวจะไม่ได้แตกมาให้ยุ่งแล้วกสองถ้าพ่อกับแม่มจะยอมอยู่กร่จะอจากการไม่อยากอยากแยกจากกันแล้วให้สร้างเรียนนี่สองข้อทีงนี้ให้เลือกเอา อ้าวตอบมาแลนนี่ยโอ้ยต่างคนต่างตอบแล้วพร้อมทันยกมือเป็นเสียงเดียวกันว่าขอสร้างเรียนเถอะ อ, อย่าให้นีจากกันเลยครบันดี <c oughs> นั่นเป็นอย่างนั้นแหละนี่แหละความสําคัญของการสร้างเรียนท่านทั้งหลายได้เห็นไหมการปกครองบ้านเมืองของเรานี่เอาคนโง่ไปปกครองได้เมื่อไหร่แม้ตั้งแต่ในครอบครัวทั้งโง่ปกครองกันมันก็เดือดร้อนวุ่นวายละสลั่มละสายแตกแยกกันไปได้ยาวาดแหลก หมู่บ้านตําบลอำเภอจังหวัดตลอดทั่วประเทศเลยถ้า ม, มีความรู้ในการปกครองกันแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาปกครองบ้านเมืองต้องได้เรียนได้รู้หลักการปกครองว่าม่กี่ขแขนงหลักการปกครองยกตัวอย่างเช่นรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์มัฐศาสตร์หมายถึงไความรู้เกี่ยวกับแว่นแค้นในประเทศบงประเทศนึกว่ารัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ลงดวไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์ ด้าดาวเกาหมาัดไปยงั้นแหละแต่าพอทราบเรื่องเหล่านี้ฟังรัฐศาสตร์ไปยังไงความรู้ในการปกครองคนต้มีความรู้ปกครองได้ยังไงนั่นเทน่าจึงมีความรู้ต้องเรียนไม่มีความไม่เรียนไม่รู้นั่นล่ะการสร้างโเรียนมีความจำเป็นอย่างนี้เราจรึงได้ทําให้สร้างให้มีโรงรัง้มโรงเรียนขึ้นมาต่างท่านก็มีความเมตตาสงสารร่วมมือร่วมใจซึ่งกันแลการตลอดในทั้งภูมิ มีความสามารถในทางนี้มีพร้อมทางน้ําใจด้วยก็อุตส่าห์พยายามทําโรงยรียนหลังนี้ขึ้นมาจนสำเร็จเราได้เห็นอย่างนี้แหละสวยงามหรือไม่สวยงามมั่นคงมั่นคงดูเอาความสวยงามก็ดีความมั่นคงก็ดีความน่าดูทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีมันออกมาจากไหนเราอย็นว่าออกมาจากจากเงินทองอย่างเดียวนะออกมาจากน้ําใจเป็นสาคัญถ้า น, า น, าน้ําใจลงเล็ดทุ่มลงไปตรงไหนเนยแน่แน่ลงไปตรงนั้นสิ่งนั้นจะต้องเป็นมาทุกสิ่งทุกอย่างตามใจที่ต้องการนั่นแหละใจจิงเป็นของสาคัญ วันขอให้ทุกท่านได้อบรมทั้งลูกเต่าล้นเหลียนและตัวงตัวในทางด้านจิตใจดังลองผู้ว่าการพูดเมื่อเช้าอลองผู้รักวารจันพูดเมื่อเช้านี่ว่าอะไรลืมไปแล้วพูดถึงเรื่องหลักธรรมว่า อ, อิธิบาสีฉันทะความพอใจในงานเช่นเดียวกับเราพอใจในผลของงาน วิริยะมีความภาคเพียรในงานนั้นเพื่อเป็นผลสําเร็จในผลงานที่ตนต้องการจตตามีความฝักใยใส่ใจอยู่ในกิจการงานของตนอย่าได้ห่างเหินเลื่นเลื่อทะเลทลายนะวิมังสาให้มีความคิดความอ่านตรายตองในกิจการงานนั้นๆมันจึงจะสําเร็จลงไปด้วยความเรียบร้อยไม่ผิดไม่พลาดไม่เสียผลเสียประโยชน์นี่เลยว่าฉันทะแล้วทำหลักธรรมของพุทธเจ้าก็ดี ท่านสอนก็ดีดังที่ทลองท่านผู้ว่าพูดว่าสอนอะไรสอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรแต่คนไม่อยากจะขยันว่าไงอันนี้หลักของพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นอย่างนั้นสอนให้คนขยันหมั่นเพียรพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมาแล้วสอนคนให้มีความอดทนต่อหน้าที่การงานที่ชอบพระพุทธเจ้าก็ทรงอดทนมาแล้วไม่มีใครเสมอพระองค์เลยนั่นอัเอล่าให้พิจารณา พูดถึงเรื่องสติพูดถึงเรื่องปัญญาไม่มีใครมีความเฉลียวฉลาดเกินพระพุทธเจ้าไปได้ถ้าจะพูดถึงเรื่องความดีทั้งหลายไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าจึงเป็นองค์ศาสด า, า, าเอกของโลกทั้งสามศัตถาเทวมนุษย์สาหนังเพนพระองค์เป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นทําไมถ้ามันมีความรู้ความสามารถฉลาดแหลมคมยิงจะสอนโลกทั้งสามได้อย่างไรเราเพียงสอนตนคนเดียวยังไม่เห็นได้เรื่องได้ราว มันทั้งทะเลถ้าไหลไปได้สอนเราคนเดียวนี่แหละเราจะว่าสอนคนนั้นสอนคนนี้เลยจะสอนเราคนเดียวให้เป็นคนดีมันยังสอนได้ยากยิ่งกว่าอะไรที่นี่พระพุทธเจ้าสอนลงคนทั้งสามโลกก็พระพุทองค์ได้ทรงดําเนินมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลอันเป็นที่พอพระไทยก็ได้ทรงรับทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วเพราะฉะนั้นการสอนสิ่งใดสิ่งนั้นพระองค์ทรงดําเนินมาแล้วทั้งนั้นไม่ได้สอนแบบหุงูปลาปลาแล้วสอนให้เขาดีแต่ตัวไม่ดีสอนให้เขาขยันแต่ตัวขี้เกียจ อสวนน่ะนน่เขาอุตส่าห์พายานต่อต่อสำหรับ ต, ต, ต, ตัวเองเป็นคนวอกแวกคอนแคนจับจับจดจดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้อย่างนั้นมันใช้ไม่ได้มันก็เหมือนอย่างที่อะไรนิทานอิศบด้วยเขาว่าอะไรพูดถึงเรื่องอะไรอ้นหรืออะไรอันเตี้ย อ่าที่วันตาบอดพระตะกำเนิด น, นั่นแหะแล้วเห็นอะไรเดินตมเตี้ยมเตี้ยมแล้วสอนเขาไอตัวก็เป็นตัวตมเตี้ยมแล้วไปสอนคอยค่องแควได้ยังไงนั่นนะเออแม่ปูน่ะนั่นอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าทรงเป็นตัวอย่างอันดีมาแล้วทำรรนี้จึงเป็นทำรรออกมาจากท่านผู้ดีผู้พิเศษมาสอนพวกเราถ้าเราอยากจะเป็นศิษย์มีครูอยากมีหลักมีเกณฑ์ก็ให้ดําดเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าท่านสอนคารวะไว้สี่ข้อย่อยๆให้พากันจำเอานะ อุทานสัมปทาให้พากันมีความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบเนี่แล้วอารักษสัมปทาทรัพย์สมบัติเงินทองที่เกิดขึ้นมาจากหน้าที่การงานของตนที่ทําด้วยความขยันหมั่นเพียร น, นั้นให้เก็บรักษาใช้จ่ายในสิ่งที่ควรจะใช้จ่ายเก็บรักษาไว้ในการอัควรที่จะทําประโยชน์ในเวลาจําเป็นในการข้างหน้าเนี่ยท่านสอนนั้นสมชีวิตา เ ล, เลี้ยงที่เลี้ยงชีพพอประมาณอย่าให้ฝืดเครื่องจนเกินไปทั้งๆ ท, ง ท, งที่รัฐสมบัติที่จะสงบำรุงตนเองมีอยู่นะแล้วอย่าฟุ่งเฟอ้อจนเกินไปเหลือเฟอือจนเกินไปซุ้อลูกซลาเกินไปเป็นกายเป็นคนใจรั่วใช้ไม่ได้ถ้าเป็นคนใจรั่วแล้วเก็บอะไรไม่อยู่เหมือนกับตะกร้าเนี่ยหม้อก็าตามภาชนะต่างๆก็าตามถ้าลงได้รั่วแล้วเทน้ำลงไปเท่าไหร่มันก็หมดมันไหลซึมมาหมด มันผิดกันกับภาชนะที่ดีเพราะฉะนั้นจึงทําจิตใจของตนให้มีหลักมีเกณฑ์มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลการรักษาใจเป็นสิ่งที่รักษาได้ยากมากแต่ว่าหลักใจนี้เมื่อมีแล้วเป็นสิ่งที่จะทําหลักสิ่งอื่นให้มีความแน่นหนามัม่นคงไปด้วยเพราะฉะนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมในสมงัดสมชีวิตาการยาณมิตรต า, ตาการครบค้าสมาคมกับคนก็ให้ดูคนไปยังไงควรครบค้ายัางไงบ้างคนนั้นคนนั้นคนนั้น ถ้าจะทําความเสียหายให้แก่การกบพลาของเราเราก็พยายามปิดตัวให้ห่างไกลระมัดระวังท่านแมวกบคนพานนานคนพานภายนอกคนพานภายในความคิดการกระทําไม่ดีของตนเองก็ให้พยายามละเว้นอย่ามีความสนิทสนมกับความคิดการกระทําของตนที่ไม่ดีนี่เรียกว่าพานภายในพากันระมัดระวังนี่ล่ะวันนี้พูดถึงอันนี้มันก็สายแล้วจะพูดอีกนานตรงกว่านี้ก็เห็นจะไม่ได้ก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ ว่าวันวันนี้เราได้มาฉลองความสำเร็จของพวกเราคือโรงริ่มโรงเรียนจะได้เป็นหลักเกณฑ์เป็นสถานที่อยู่ที่ศึกษาเราเรียนให้ความรู้วิชาแก่เด็กวันนี้ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วด้วยความสำเร็จของเราที่เรียกว่าฉลองสลาและจากนี้ก็เป็นอันว่าโรงเรียนหลังนี้ก็ได้มอบให้ทางราชการต่อไปนี่เป็นคําพูดที่ตกลงกันแล้วด้วยความบระทับใจ แล้ววันต่อไปนี้ถ้าท่านผู้ใดมีข้อความใจอะไรจะพูดอีกเล็กน้อยก็ยังพูดได้อันนี้จะขอห ย, ยุดยุติเพียงเท่านี้เพราะเวลามันกระทันเกินไปแล้วอ้าวท่านรองผู้ว่าจะพูดอะไรก็พูดได้อีกอเอาไป